ท่านมรณภาพที่บ้านกลางใหญ่ที่หลวงพ่อมาแสดงธรรมเมื่อวันที่สาสพอเสร็จจากงานขององค์หลวงตาวันที่สามสิแล้วก็ตอนบ่ายมาแสดงธรรมที่วัดนิโรธรังสีวัดหลวงปู่เทศ่บ้านบ้านเก่าของท่านบ้านหลวงปู่เทศอยู่บ้านกลางใหญ่บ้านสีดานาสีดาหลวงพ่อได้มาแสดงธรรม ท่านพวดมาก30 2003, า 70, กว่าพันสามอายุเจบกว่า 72-73 สามรณาภาพเป็นพระครูแต่วันนี้ก็ได้ยินเขาไม่ชีตายอีกเมื่อวานก็โยมตายโยมบ้านตายชาวบ้านนะที่ไปบินาบาบใส่บาททุกวันเป็นโยมผู้ชาย อายุประมาณแคกสิบกว่าปีมั้งเนี่ยแหละลูกหลานเนี่ยสรุปแล้วก็คือโยมก็ตายพระก็ตายแม่ชีก็ตายความตายไม่ได้เลือกใครอพะนพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทตายติดติกันเลยเมื่อวานเนเผาโยม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 แต่งเอาได้ยังไงให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ักโลกนะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดนะเราเกิดมาในโลกจะให้ได้อย่างใจตัวเองทุกอย่างไปอยู่ที่ไหนไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าที่ไหนหเถอะอยากจะให้มันได้อย่างใจตัวเองนะละกิเลส ช, ชมละกิเลสโลภโกรธหลงใจบริสุทธิ์นั่นแหละ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 อันนั้งคือปัจจัยเครื่องอาศัยมันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันจากนั้นก็นสูเจ้าอย่าลุ่มหลงมัวเมานะถึงจะเลี้ยงดีขนาดนนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งตายทั้งหมดเพราะนั้นสูเจ้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ปฏิบัติบูบชานะให้เร่งภาวนานะให้ชาระใจนะ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 ตามที่พระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนสาวกของพระพุทธเจ้าได้แนะนําสั่งสอนมาบอกกล่าวให้กับพวกเราสาวกกระสังโฆจะทํำยังไงจึงจะพ้นทุกข์เราไม่ได้กราบปูนไม่ได้กราบทองเหลืองทองแดงเรากราบพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนจะทํำยังไงที่พระคุณจุดนั้นที่ท่าน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 อาจารยรักศรัทธาคือศรัทธาเบื้องต้นบางทนมันเกิดต่างกันนะบางคนก็เนีได้เห็นพระพุทธรูปเห็นพระเจดีย์บางคนก็อยู่เมืองไทยก็เฉยก็ไม่มีอะไรพอไปเห็นสังวเวชในเดชะฐานอินเดียพอไปกราบเท่านั้นก็โอ้พระพุทธเจ้าเนะี่ยมีจริงอน้ําตาหลัง่งน้ําตาไหลร้องหม่มร้องไห้เกิดจัทตา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 พระพุทธองค์บมื่อวานี่แหละควรจะเป็นตัวอย่างพระองค์นี่แหละนี่ว่าปฏิบัติบูชาเราตถาคตเรายกย่องเชิดชูว่าการปฏิบัตบิบูชานะั้นเลิศกว่าอามิชฌาบูชาเนี่ยจังที่พระพุทธเจ้าจะตำหนินะพรุทธเจ้ายกย่องเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงท่านจะยกย่องปฏิบัติบูชาก็จริง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 โง่อีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันสถานการณ์อย่างนี้เราควรปฏิบัติอย่างไรการรัเทสการสถานที่บุคคลเพราะนั้นหลวงพ่อมีจะแนะนำบอกกล่าวให้พวกเรามองได้หลายแนวได้หลายแนวทางในในหลายแนวความคิดแต่จะให้ความคิดนั้นมามัดคอตัวเองนะบ้านนีคิดมากๆเข้าไปวิตกกังวลไม่ใช่เราต้องแยกแยะให้ออกต้องใช้ปัญญานะถ้าคนมีปัญญานะ